อันธรรมยังอภินาปัจเวคณาปาทังพนามะเสนชาราธรรมโมหิชารังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พายาที่ธรรมโมหิพายาทิ้งอนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมหิมารนังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง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 ยงมมังกรรมกงรริสามีกัลยางวาปาปะกังวาตาสาทายาโทภวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืไป เอวังอัมเหหิอภินังัจเจ้าเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอ